ต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกน ะ, จะเจริญงอกงามสวยงามเหลือเกินปีหนึ่งบางต้นหนอนเจาะไปบ้างเรื่องธรรมดา <c oughs> ปลูกต้นไม้หนอนเอาไปกินบ้างตกะแตนลงบ้างเคลียกินบ้างธรรมดาต้นไม้ที่พันธุกรรมแข็งแรงนะพ <c oughs> ันธุกา ร, รแข็งแรงเติบโตเติบโตอย่างน่าอัศจรรย์ไม่ใช่หลวงพ่อ ประเมินเองด้วยนะพวกเราบางคนเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ที่น้นที่นี่ท่านมองด้วยความประทับใจนะดูพวกเราหลายคนจํานวนมากเลยเราเติบโตทางจิตวิญญาณนี่เพิ่งมีคนมาเล่าให้ฟังมีเข้าไปกราบครูบาอาจารย์องหนึ่งนะเข้าไม่ถึงคนล้อมท่านไม่เยอะนะคนกั้นอยู่เป็นร้อยนะ แกก็นั่งก่อนนาแกไปท่านแบบเข้ามาหานะเดินนะเธอเป็นู้สิษ์ใครนะถามตอบแล้วก็อืดีนะบอกพระแท้ๆนะนะรางนีนะ้ในความเป็นจริงแล้วครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ที่สอนถูกแนละ้วก็จะสอนอย่างเดียวกันนั่นแหละสำนวนโมหาน่าจะแตกต่างกันแต่เนื้อหาสาระมันอันเดียวกัน ถ้าสอนตรงสอนถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็มันหนีไม่พ้นหลักของไตรสิกขาไปได้เรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญามีศีลนะเพื่อจะเป็นพื้นฐานให้จิตเนี่ยสงบให้จิตตั้งมั่นคนไม่มีศีลจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านอย่างคนที่ใจคอหดร้ายทารุณนะจิตใจไม่สงบ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 จิตใจไม่อยู ja sí ่กับเนื้อกับตัวคิดจะเป็นชั่วเขาเนี่ยใจก็ไม่อยู่กับตัวเองงั้นคนมีศีลนะจิตใจมอยู่กับตัวเองง่ายเราค่อยมาฝึกรักษาศีลไว้แล้วก็มาฝึกจิตใจให้มันสงบฝึกจิตใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวการที่เรามาฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคือจิตตั้งมั่นไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่เพลดเพลิ ลืมกายไม่เพลิดเพลินลืมใจพะจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็เป็นฐานของการเจริญปัญญาในขั้นต่อไปนะงันบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีลศิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขาเรียนรู้ในการรักษาศีลเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพของจิตเรียนรู้ในการใช้จิตที่มีคุณภาพแล้วมาเจริญปัญญา ถ้าปัญญาแจ่มแจ้งมากฝนก็เกิดนะวีมุตก็เกิดความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นถึงจุดหนึ่งพ้นทุกข์ไปพอร่างกายแตกดับนีก็เรียกว่าดับทุกขนะ์เว็ระดับระดับไปยิ่งพวกเราถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะถึงไปเรียนกับครูบาอาจารย์อื่นก็ไม่แปลกอะไรนะดีไม่ดีจะเข้าใจคําสอนของท่านมากขึ้นด้วยซ้ําไปมีคนมาบอกนะว่า ย่งบางทีอ่านคําสอนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆไม่เข้าใจนะมาเรียนกับหลวงพ่ออยู่ช่วงหนึ่งนีไปอ่านคําสอนครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนันเข้าใจลึกซึ้งรู้เลยว่าจริงๆแล้วท่านสอนอันเดียวกันนั่นเองแต่ภาษานั้นแตกต่างกันไปหลวงพ่ อ, อ, อไปหาครูบาอาจารย์มามากนะหลายวงค์ท่านก็พูดเหมือนกันหมดนะท่านก็บอกว่าที่ภาวนามาหลวงพ่อทํามาก็ถูกแล้วล่ะให้ไปช่วยกันประกาศศาสนาสืบทอดอายุศาสนา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 จิตที่สงบนั่นเอาไว้พักผ่อนให้มีเรี่ยวมีแรงจิตที่ตั้งมั่นเอาไว้ใช้เดินปัญญานะงั้นถ้าเราพัฒนาคุณภาพของจิตได้ทั้งสองระดับนี้การภาวนาของเราจะมีความสุขมากสมาธิเราก็ได้ปัญญาเราก็ไดนะ้แต่ถ้าเราได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเห็นรูปเห็นนามเกิดดับเห็นกายเห็นใจทํางานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูได้อย่างนี้ก็พอได้มรรคได้ผลนะ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 แต่ถ้าเราทำสมาธิพักผ่อนได้นะจิตใจชุ่มชื่ น, นคล้ยคล้ายคนเดินทางไกลพอตกค่าก็มีโรงแรมให้พักมีข้าวให้กินมีน้ำให้อาบมีเตียงให้นอนเนช้าขึ้นมาสดชื่นเดินทางต่อไปบางคนพักอยู่ตรงนี้พอใจเลยพักอยู่นานหน่อยพักเป็นชาติชาติก็มีนะอยู่ในสมาธิพักเป็นกับๆเลยก็มีเว้พักอยู่ในพรหมโลกงการทาสมาธิเพื่อพักผ่อนเนี่ยเร า, าพักเท่าที่จาเป็น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 ทำสมาธิชนิดที่หนึ่งเช่นกลับไปพุทธโธพุทธโธใหม่หรือบางคนสามารถควบที่หนึ่งกับสองเข้าด้วยกันได้นะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าท่านาภาวนาตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางนะโดยใช้พุทธโธองค์ไหนทราบไหมจันมหาบัวเขาบอกฉันใช้พุทธโธตลอดเลยตั้งแต่ต้นทางเลยนะทำได้ยังไงพุโทโธทีแรกจิตฟุ้งซ่านคอยรู้ทัน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 มันแยกออกมาจิตไม่ใช่ความเจ็บปวดจิตเป็นคนไปรู้ความเจ็บปวดนี่ถ้าใครฝึกได้อย่างนี้นะพร้อมที่จะตายละเวลาที่จะตายร่างกายเจ็บปวดมากๆนะฉะนอนดูร่างกายจะเห็นเลยร่างกายมันไม่ได้เจ็บความเจ็บมันแอบมาอยู่ในร่างกายจะเห็นอย่างนี้จิตก็เป็นคนดูจิตไม่ใช่คนเจ็บสรุปแล้วกายก็ไม่เจ็บจิตก็ไม่เจ็บนะความเจ็บเป็นสิ่งที่แปบปลอมเข้ามาเนี่ยภาวนาไปอย่างนี้ก็จะเห็นเลยความเจ็บความปวดเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา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 พ่ออยู่ในแวดวงผู้ปฏิบัติมาหลายสิบปียไม่เคยเจอคนนั่งสมาธิแล้วเป็นอมภาพมีแต่กินเหล้าเมาหัวฟาดทื้นเลยเป็นกรรมอมพาพนะนี่พอสังเกต ด, ดูพอร่างกายเจ็บปวดเนี่ยความทุรนทุไลมาเกิดที่ใจแมนะ้ความทุรนทุไยเกิดที่ใจเริ่มเป็นห่วงร่างกายแล้วนะหรือนั่งสมาธิมาช่วงหนึ่งก็เริ่มห่วงร่างกายแล้วนี่มันชักดึกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีแรงตื่นไปนอนซะเถอะนะ ต้องเป็นทางสายกลางนะอย่าทรมานกายมันสอนเก่งนะเออมันสอนให้นอนนี่มันสอนเก่งกรรมฐานอย่างนี้ครูบาอาจารย์เรียกกรรมฐานหมอนแตกนอนลูกเดียวเลยสอนให้นอนเชื่อมันด้วยนะเชื่อมันด้วยสังเกตไหมความเจ็บปวดมันอยู่ที่ร่างกายนะความทุรนทุรายมันมาอยู่ที่จิตงั้นความเจ็บปวดกับความทุรนทุรายเนี้ยทางใจเนี้ยคนละอันกันนึกออกไหมเป็นคนละอันกันมันเป็นอีกขันหนึ่งนะ เรียกว่าสังขารขันเป็นความปรุงทางใจในสังขารขันนะความทุรนทุรายก็ไม่ใช่จิตถ้าดูให้ดีพอความทุรนทุรายเกิดขึ้นเรามีสติรู้ไปก็จะเห็นนะมันมีแล้วมันก็หายไปได้จิตก็ยังเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะก็จะเห็นเลยความทุรนทุรายกับจิตก็ขนล้านกันตัวสังขารมีหลายอย่างอย่างความโลภความโกรธความหลงอนะไรเนี่ยเป็นสังขารนะก็จะเห็นเลยมันไม่ใช่จิตหรอกความโกรธก็ไม่ใช่จิต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 นี่หัดอย่างนี้นะเราจะเห็นโลกห่างออกไปเห็นขันห่างออกไปการที่เห็นขันห่างออกไปก็คือเห็นโลกห่างออกไปนั่นเองจะรู้สึกอย่างเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติคําว่าโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกในทางพระพุทธศาสนาท่านบัญญัติไว้สองแบบถ้าบัญญัติในเชิงสมมติบัญญัติคําว่าโลกคือหมูสัตว์นะหมูสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าโลกถ้าบัญญัติในเชิงปรมาสต์สิ่งที่เรียกว่าโลกคือรูปกระนาม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 โลกุตระมันอยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนือขันนั่นเองจิตกับขันนันแยกตัวจากกันนี่พวกเรายังไม่ถึงโลกุตระส่วนใหญ่ยังไม่ถึงโลกุตระเนะดาเอาว่าส่วนน้อยถึงโลกุตระนะเดาเอาเปงการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะถึงเปล่าไม่รู้นะผู้รู้รู้ได้เฉพาะตนเราจะค่อยๆภาวนานขนาดที่ว่ามรรคผลยังไม่ทันเกิดอ่ะบางครั้งเรายังรู้สึกร่างกายอยู่ห่างๆรู้สึกไหมร่างกายอยู่ห่างๆ นะความสุขความทุกข์อยู่ห่างๆเห็นไหมขันมันเริ่มห่างแลนะถ้าเมื่อไหร่นะมันพลากออกจากกันเด็ดขาดนะเว้นนั้นแหละที่เรียกว่าพระอรหันตะ์ของเราไม่พลาดเด็ดขาดรนะู้สึกหมยึกยักยึกยักใช่ไหมหลุดออกมาหน่อยหึงเข้าไปรวมหลุดออกมาหน่อยหึงเข้าไปรวมนึกออกเปล่าทําไมเข้าไปรวมได้อีกเชื้อเกิดยังมีอวิชชาย อ, ยนะอย่างอยู่ยังรวมเข้าไอีกถ้าทําลายเชื้อเกิดนะัเหมือนกาวเหนียวเลยนะเหมือนยางเหนียวนะตัวนี้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 อันนี้ยังไม่ถึงขีดสุดหรอกถ้าถึงขีดสุดนัมันจะไม่แยกเป็นสองอย่างจะไม่แยกเป็นสองห่างๆกันอย่างนี้นะตัวเนี้ยตัวจิตเนี้ยจะถูกสลัดคืนกลับเข้าไปคืนเข้าไปกลืนอยู่กับโลกเลยนะแต่มันไม่สัมผัสกับโลกไม่เป็นเนื้อเดียวกับโลกนะแต่มันไม่สัมผัสกับโลกเลยเหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำเลยไม่เปียกน้ําอยู่อย่างนั้นเลยแล้วกลืนไปนันเดียวกันเนี้ยนะทำกับโลกแล้กลืนเข้าด้วยกันนะเป็นอันเดียวนะครับ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 สลัดตัวนี้ทิ้งสลัดตัวจิตทิ้งคืนเข้ากับโลกเรียกว่าคืนจิตให้โลกนะแล้วมันเกิดสภาวะอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนนี่ครูบาอาจารย์ท่านบญญารญยายด้วยว่าธรรมสภาวะธรรมบางองค์ท่านว่าจิตมันกลายเป็นธรรมตัวนี้มันจะพ้นโลกนะนื่อพราพ้นโลกตัวนีมน้มันมีความสุขนะมันไม่ปรุงไม่แต่งมีความสุขไม่มีขอบเขตนะ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 คนอื่นเขามาแว๊บเติมน้ำมันเข้าไปโนู่นแล้วไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไ ป, ไปนู่นไปนี่ไอ้เด็กปั๊มก็อยู่ตรงนี้แหละวะใส่ซาวเบลไว้วันๆไม่ต้องทําอะไรกดแก๊กแก๊กแก๊กแก๊แกนะไปเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าติดสมถนะนี่เหมือนเด็กปั๊มอะไม่ไปไหนหรอกชาตินี่ยังอยู่ตรงนี้แหละมึงปั๊มอยู่นี่แหละนะมีความสุขนะฟังเพลงเ่ยโอมีความสุขอยู่ในร่มเนีไม่ต้องเดินทางไปไหนนะแต่ว่าเอาไว้พักผ่อน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 นี่ว่างๆไปกราบครูบาอาจารย์นะตอนหลังๆนี่ท่านไม่ค่อยพูดกับมาฐานด้วยท่านชอบเล่านิทานคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะสุดท้ายท่านก็บอกว่าอาจารย์ประโมทไปสืบอายุศาสนาไปเผยแพร่ต่อพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดอะทุกองทุกอกอนะที่ไปนี่เพิ่งไปกราบหลวงปู่ท่อนมาท่านก็พูดอย่างนี้นะอาจารย์ประโมท ไ, ไปไปสืบอายุศาสนานะไปเผยแพร่นะ เนี่ยเรากำลังทำเจดีย์มาช่วยเราทำหน่อยสิ <c oughs> บอกอวารมีหลวงปู่เยอะหลวงปู่ทำเองก็แล้วกัน <c oughs> โอ้ท่านไอเดียดีนะท่านบอกเจดีย์ของท่านเนี่ยต้องอนเนกประสงค์ล้วก็ฟังคงจะทำกรรมฐานทำอะไรชั้นล่างทำห้องเก็บของใต้บนันไดเนี่ยเก็บเสียมเก็บฟลัวเก็บช้อนเก็บจานชั้นบนนะชั้นสองระดับชั้นสองจะทำที่กินข้าวนะร้านอาหาร แต่ไม่ใช่ร้านอาหารนะทำครัวข้างล่างนะแล้วใส่สลิงนะยิงขึ้นไปเป็นพัตตะารลอยฟ้าแล้วเจดีของท่านนะไม่ปลูกไม้ประดับไม้ประดับเนี่ยสิ้นเปลืองท่าว่าท่านจะปลูกไม้กระถางปลูกฟริกปลูกมะเขือตัวพตอต้นไหนออกลูกแล้วเอาขึ้นไปตั้งใครไปกินข้าวนะก็ไปเด็ดมากินเท่าที่จําเป็นนะดูท่านฉลาดนะท่านบอกว่าเอาไปใส่จานใส่ถ้วยนึก อ, ออกไหมทิ้งซะมากกว่ากินนี่ท่านว่าอย่างนี้นะ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 เนี่ยไปกราบท่านนะคุยธรรมมากันประโยคเดียวนะคุยธรรมมากันประโยคเดียวท่านบอกว่าจานย์ประมดไปทํางานต่อนั่นว่างี้เลยนะครูบาอาจารย์อื่นๆก็เหมือนกันเพราะวพวกเราฝึกนะพวกเราฝึกฝึกใจของเราขึ้นมาก่อนรนะักษาศีลห้าไว้อย่าเป็นชาวพุทธอ้างว่าเป็นชาวพุทธศีลห้าไม่มีหน้าด้านที่สุดเลยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกไม่มีศีลห้าเนะี่ยงั้นอย่าไปทําอย่างนั้นนะตลบตแสแงกระล่อนไปวันๆหนึงไร้าสาระ เป็นชาวพุทธต้องมีศีลห้ามีศีลห้าแล้วต้องมาฝึกจิตฝึกจิตให้สงบวิธีฝึกจิตให้สงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่สบายมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขก็ไปอยู่จิตก็ไม่หนีไปที่อื่นสงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นวิตริฝึกจิตให้ตั้งมั่นคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้ความจริงหลวงปู่มั่นก็เคยสอนไว้นะ หลวงปู่มั่นสอนราวาสเนี่ยสอนทานศีลภาวนาพอถึงขั้นภาวนาท่านสอนให้พุโทโธพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้นะจิตจะค่อยสงบเข้ามานะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นถ้าวิตีนีนะ้ดีที่สุดเลยที่ท่านสอนไว้ดังั้นพวกเราหัดนะลองพุโทโธดูก็ได้พุทโธไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบแต่พุโทโธแล้วจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จะได้ทั้งสงบได้ทั้งตั้งมั่นนะ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 นะใจรักจะแสดงตัวล้วตรงนี้วิปัสนาจริงแล้วนะตรงที่ยังคิดนำอยู่ยังไม่ใช่วิปัสนาเพราะนหลวงพ่อพูดเคยสอนนะว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดนะนะครูบาอาจารย์สอนต่อๆกันมานะสอนเด็ดขาดมากเลยเมื่อวานก็มีครูบาอาจารย์มาจากวัดป่าสารวัตรวัดหลวงพ่อพุธเนะีย่ยมาทาบาทามไปเทศนะเทศเอาสีว่างว่าก็ว่ากันนะ ท่านบอกทุกวันนี้ก็เปิดซีดีหลวงพ่อให้โยมฟังโดยเฉพาะตอนที่พูดเกี่ยวกับหลวงพ่อพุธยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดใครเคได้ยินประโยคนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดใครๆได้ยินความจริงได้ยินทุกคนเพราะหลวงพ่อเพิ่งพูดเดี๋ยวนี้เอง <c oughs> ถ้าภาวนาเป็นนะโอ้ยตัวนี้พิเศษมากเลยกรรมฐานเนี่ยเหมาะกับคนในเมืองที่สุดเลย เราอยา เ, อาเวลาไปนั่งสมาธิวันละหลายๆชั่วโมงหชั่วโมงหกชั่วโมงหรือไปหากินที่ไหนพอดีอดตายเห็นไหมเวลาเรามีน้อยอ่ะเราจะขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นไปด้วยความรู้สึกตัวเดินขึ้นรถไฟฟ้าหรือวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าวิ่งขึ้นแล้วเราไยืนอยู่ก็ยืนด้วยความรู้สึกตัวนะรู้สึกลงไปด้วยสติรู้สึกลงไปด้วยปัญญารู้สึกด้วยสติคือรู้สึกถึงความมีอยู่ของส ภ, ภาวะในขณะนั้นเช่นร่างกายมันวิ่งเห็นร่างกายมันวิ่งอยู่ รู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นความจริงคือใจรักเห็นว่าตัวที่วิ่งอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่วิ่งไปได้นะเห็นความสุขเกิดขึ้นในสติเป็นคนรู้ความสุขที่เกิดขึ้นปัญญารู้ว่าความสุขก็ไม่ใช่ตัวเรารนะเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยดํารงชีวิตอยู่นะด้วยสติด้วยปัญญานี่ให้มากเลยดูลงไปเรื่อยๆนะถึงเวลาก็ทําในรูปแบบรักษาศีลห้ายืนฟื้นไว้ทําอย่างนี้ได้รับหลอกต้องดีแน่นอน ส่วนจะบรรลุมากผล น, นิพพานเมื่อไหร่เนี่ยแล้วแต่บุญวัฒนานะมีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าบางคนเรียนกับหลวงพ่อก็จะพ้นทุกไปนะบางคนไม่พ้นทุกเขาจะไปต่อไปเจอพระศรีอานต่ออย่างนี้ท่านก็ว่าอย่างนี้ก็มีเจอไม่เจอไม่รู้นะเราก็ไม่รู้จักพระศรีอานเป็นการส่วนตัว <c oughs> อ่ะพอสมควร <c oughs> ทํายังไงมีจิตผู้รู้มีจะถามหลวงพ่อสิบห้าคนหลวงพ่อขอถามก่อน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 หรืออะไรก็ทำไปแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันใครจะเจริญปัญญาด้วยการรู้กายก่อนนะทำสมาธิแล้วไปรู้กายทำสมาธิแล้วไปรู้เวทนาหรือบางคนจะดูจิตแล้ว่อยทำสมาธินะดูธรรมานุปษษัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ไปทำสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะทางใครทางมันบางคนใช้สมาธินำปัญญาบางคนใช้ปัญญานำสมาธิบางคนใช้สมาธิและปัญญาควบกัน ทางใครทางมันแต่รับรองไม่หนีจากหลักที่หลวงพ่อบอกเรื่องใจสิกขาเนี้ยนะอย่างคนที่ทําสมาธิกับปัญญาควบกันเนี้ยยุคนี้มีไม่มากแต่พอมีหลวงพ่อสอนไว้มีไม่มา ก, ก น, นะแตพอมีพวกนี้ต้องชํานาญสองอย่างต้องชํานาญสมาธิก็ต้องชํานาญการดูจิตพอจิตรวมลงไปเนี้ยเขจะเห็นสภาวะเกิดดับภายในจิตทีกดียวเห็นองค์ธรรมเช่นปีติเกิดขึ้นปีติดับไปพอปีติดับไปจิตมีความสุขขึ้นมา ตัปีตินะั้นมันขวางความสุขไว้นะมันเด่นมันฉูดฉาดถ้าปีติเกิดอยู่เนี่ยมองไม่เห็นความสุขพอปีติเรามีสติรู้ทันปีติปีติดับนะความสุขมันจะเด่นรู้ทันความสุขแล้วความสุขดับคราวนี้อุเบกขามจะเด่นขึ้นมานะอุเบกขามันเด่นอยู่ช่วงครู่หนึ่งหรือว่าช่วงระยะของสมาธินะจิตถอยออกมาหน่อ ย, อ, ยนะอาจจะเกิดปีติอีกก็ได้หรือหลุดออกมาโลกข้างนอกเลยก็ได้มีสติตามรู้อย่างเงี้ยเดินปัญญาได้ในสมาธิ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 หายากอย่างนั้นหายากถ้าปัญญานำสมาธินะยุคนี้จะเยอะสมาธินำปัญญายุคก่อนเราเนี่ยจะเยอะครูบาอาจารย์จะทำสมาธิกันเยอะรุ่นเราเนี่ยให้นั่งสมาธิเดี๋ยวก็หลับแล้วเพราใจเราฟุ้งทั้งวันนะั่นเอาปัญญาเราพ่อแค่พลิกนะลิกคำสอนแต่ในหลักเนี่ยอันเดิมพลิกเอามาให้เหมาะกับคนเมืองท่านเองคนเมืองไม่มีเวลานั่งสมาธิเยอะๆต้องใช้ปัญญานาเอา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 ถ้าใครคิดว่าวิธีของกูเท่านั้นวิธีอาจารย์กูเท่านั้นที่ถูกนะยังไม่รู้จริงหรอกถ้าขึ้นเขาได้เราจะรู้เลยทางขึ้นเขาเนี้ยรอบตัวเลยแต่ทิศ ท, ทางของการขึ้นเขาต้องถูกต้องถ้าขึ้นเขาเราเตี้ยลงไปเรื่อยๆมันคงไม่ขึ้นเขาหรอกคือจะอยากปีนขึ้นยอดเขาแต่กูว่นั่งสมาธินิ่งอยู่ที่เดิมเนี้ยเป็นเด็กปั๊มอยู่เชิงเขามันไม่ไปไหนอะ่ะนะทิศ ท, ทางมันต้องถูกต้องนะแล้วส่วนจะใช้เส้นทางไหนเนี้ยทางไครทางมัน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 ถ้าเราเราไม่เพ่งนะ้ำจะเผลอเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าใจมันจะโปร่งเบาแล้วมันทํางานได้ต้องต้องแร ก, กออกถ้าเพ่งนิ่งกี่ปีกี่ช่ติมัอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคลายออกแล้วฟุ้งแรงนะก็กลับไปทําความสงบเป็นช่วงๆนะพอให้ใจมีแรงเนดอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งครับตอนนี้เบากว่าแต่ก่อนหรือเปล่าเบาป่ะฮะเออบาสังเกตไหมพอจิตมันเริ่มเบาขึ้นนะมันเริ่มเคลื่อนไหว เร่มเปลี่ยนแปลงตัวออกไหมมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าจิตนิ่งทื่อๆอยู่นะไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูหรอกตรงที่เราเห็นกายนี้ใจนี้มีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงทั้งหละเราเดินปัญญาอยู่ถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดความรู้รวบยอดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดนดับเป็นธรรมดา เ, เห็นไหมว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับตรงนี้เห็นไหมสุขเกิดแล้วดับทุกเกิดแล้วดับเห็นครับดูมากๆนะเห็นเนี้ยมีปัญหาอะไรล่ะ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 ก็แค่รู้ทันไว้ยังเพ่งอยู่อยากหายเพ่งไหมเป็นบางขนาดเออถ้าอยากรู้ว่าอยากเพราะเราเพ่งเบาลงเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มเปลี่ยนแปลงให้ดูได้นะแต่ว่าเบื้องต้นเหลือเพ่งไว่นิดหน่อยไม่เป็นไระตึงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเบื้องต้นกะจะให้พอดีเป๊ะๆแป๊บเดียวสติจะอ่อนไปเดี๋ยวจะหลงง่ายนะเพงั้นตึงนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าให้ตึงแรงถ้าตึงแรงแล้วไม่มีอะไรแสดงใจรักให้ดูได้เลยครับ อันนี้ดูตอนนี้ดูความหนีไปคิดอยู่นะครับทีนี้พอรู้ว่าหนีไปคิดเนี่ยมัน่าจจะรู้แต่รู้สึกได้บ่อยขึ้นแต่ว่าบางครั้งก็ไม่มีกําลังอไม่มีกําลังทําความสงบพื่อมาพักผ่อ น, น, นไม่ทิ้งสมถะหรอกอนะแต่ว่าพอออกจากสมาธิแล้วใจให้มันเหมือนอย่างเนี้ยนะใจให้มันโปร่งให้มันสบายเบาๆแล้วก็รู้สึกดูกายทํางานดูใจทํางานเห็นแต่ไตรลักษณ์ ยังมีอะไรที่ขอกันบ้านนั่นแหละเป็นสังเกตเอานะถ้ายังมีตึงมีแน่นอยู่ก็แสดงว่ายังโลภอยู่อยากดีอยากปฏิบัติแล้วก็ไปบังคับมันรู้ตนเองนะแล้วมันจะแก้ของตัวเองได้ครับขอบพระคุณครับนรรการค่ะหลวงพ่อหนูส่งการบ้านครั้งแรกค่ะผลที่หนูจะได้จาก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 คือสวดตอนไหนอะเมื่อก่อนนี้ก็คือว่างเวลาไหนก็สวดแต่ทุกวันนี้ตื่นตีสี่แล้วก็มาสวดเวลาไหนก็ง่วงทุกเวลาค่ะแต่สวดเสร็จแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะเลวงพ่อเพิ่งสวดไปคือจิตมันน้อมไปหาความสงบนะค่ะมันก็จะน้อมน้อมไปก็ยังง่วงง่วงมากแต่สวดเสร็จแล้วสวดชื่นทำไปอย่างนี้ดีไม่เป็นไรหนูขอลวงพ่อคันบ้านเพิ่มค่ะก็ พอจิตใจสดชื่นแล้วนะดูกายทํางานดูใจทํางานดูห่างๆดูเป็นยังดูห่างๆดูเป็นแว บ, บๆเขาเห็นแวบๆถูกต้องถูกต้อง <ๆ S 2> อย่าประคองให้ห่างตลอดเวลานะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าประคองให้ห่างตลอดเวลานี่ยแกล้งทําไม่ดีเว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลาจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะให้เขาตั้งเองมันจะ ต, ตั้งทีละแว บ, บๆไม่ตั้งเป็นวันๆหรอกค่ะยกเว้นคนที่ทําสมาธิมาคนที่ทําสมาธิมาเวลาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ะตั้งได้เป็นวันๆเลย ของของเราเราไม่ได้เข้าฌานนะสมาธิเป็นคณิกาสมาธิได้ทีละแวบบทีละแวบก็เอาเท่าที่ได้อะนะดีกว่าไม่มีขอบคุณค่าบหลวงพ่อการบัญชาการหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมส่งการบ้านนะครับก็ทุกวันก็จะตามรู้ตามดูกิจ ด, ดูกายของตัวเองไปตลอดนะฮะกลางคืนก็จะมีเดินจงกรม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 ใช่มันฟุง้งฟุ้งง่ายฮะ<ฆ>ทำสมาธิเพิ่มขึ้นหน่อยครับผมก็ก็ถ้าทำอย่างนั่งสมาธิมากๆในบางทีนั่งๆไปเอ่อมันไม่ค่อยสงบอะจิตมันก็จะแวบไปเรื่อย จ, จิตจิตมันจะไปเดินปัญญาครับผมพอจิตมันเคยเดินปัญญาแลมันขี้เกียจทำสมาธิมันรู้สึกเสียเวลาครับรบางทีก็ต้องเคี่ยวเข็นมันทำเหมือนกันนะครับน้อมน้อไปทำไหนไม่งันฟุ้งไป ครับผมแล้วเวลาเวลานอนเนี่นอนหเหมือนกับ เ, เหมือนเหมือนไม่หลับนะแต่ว่าเหมือนรู้สึกตื่นอยู่ตลอดนะฮะมันมันบางทีก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งสมาธิต่อได้ไม่เป็นไร <c oughs> ดีครับผมอย่างนี้ก็คื อ, อทําไปแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมครัใช่แต่จิตต้องต้องตั้งมั่นกว่านี้นะครับผมจิตมันกระจายกระจายมากไปครับให้มันมีแรงหน่อย ขอบคุณมากครับอาจจะเพราะตื่นเช้ามากมากี่โมงอะตอนตอนเช้าที่มานี่นะฮะมาตื่นหกหกโงครับโอ้ยังเก่งแล้วมานั่งตรงนี้ทันบางคนว่ามาตีสี่ยังกระโจนเนี่ยมาทันมือหนึับก็มีอะไรที่เพิ่มเติมให้ให้เพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึ่งครับผมสมาธิหย่อนไปไหน ขอบคุณมากครับผมนมาส ก, การคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าๆค่ะก็ตอนนี้ทําในรูปแบบก็จะเดินตรงกลมเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยังมีกดๆบังคับอยู่ค่ะอนะืถูกต้องนะถูกต้องนะที่รู้ว่าถูกต้องค่ะแล้วก็นะรักดีคะ่ะอยากปฏิบัติ่ะคะรักดีดีกว่ารักชั่วรู้ทันไปนะ สติก็มีเกิดเองได้บ้างค่ะก็ถ้าหากว่ามันชัดๆก็จะเห็นแล้วก็จะมีดับลงไปเองบ้างค่ะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะตามตามดูแล้วก็ระหว่างวันก็จะใช้พุโทโธคะ่ะออแล้วก็พอพอเรารู้ว่าเราเราลืมลเราเรากลับมาพุโทโธให ม, ม่มันก็จะมันก็จะมีบังคับแน่นๆนะคะให้รู้ทันเอานะบังคับแรงไปอ๋อขอคาแนะนาเพิ่มตเติมค่ะก็ฝึกในอยู่ที่ความชนานาญละ อะไรสภาวะอะไรก็มองเห็นอยู่เห็นสภาวะได้แล้วนี่ใจมันยังไม่เป็นกลางมันอยากโน่อนอยากนี่ไปมันก็ไปบังคับไปเค้นตัวเองบ้างเรารู้ทันเนี่ยที่บังคับเกิดขึ้นนะเพราะความอยากมันอยู่ข้างหลังนะถ้าเราเห็นถึงต้นตออย่างอยากให้รู้สึกตัวตลอดอย่างนี้มันจะไบบังคับมันจะเห็นไม่ทันคือมันจะเห็นตอนแน่นแล้วค่ะแน่นแล้วนี่เป็นวิบากเป็นผลแล้วแล้วมีกิเลสก็คือความอยากเกิดการกระทํากรรมคือการบังคับ ผลของมันคืนแน่นเราไปเห็นตอนแน่นแล้วตอนแน่นแล้วแก้ไม่ได้ผลต้องรับละเราเราก็รู้ว่ามันมันแน่นเราก็รู้ว่าเมื่อกี้เราบังคับอยู่รู้ว่าตอนนี้ไม่ชอบแน่นเอาลงปัจจุบันอย่างนี้เลยค่ะเเห็นใจที่ไม่ชอบแล้วดิ้นรนยิ่งแน่นกว่าเก่ากิเลสเกิดซ้ำแล้วสมถานี้ต้องเพิ่มไหมคะพยายามรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นก็แล้วกันแล้วก็ใจหนีไปคิดน่ะรู้ให้ไวๆ งั้นเอาพุโทโธไปล่อจิตเอไว้ก็ได้นะพุโทโธพุธโทโธใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนจะได้ตั้งมั่นแล้วก็มีแรงขึ้นด้วยคือจุดอ่อนของพวกเรานะคารวะคนในเมืองอะไรพวกนี้สมาธิพวกเราไม่ค่อยพอเพราะวันๆเราฟุ้งเยอะแต่จะให้นาทําสมาธิเต็มร้อยมันก็ไม่เต็มหรอกมันไม่มีวันเต็มนะนั่งสมาธิไม่นานก็หมดแรงหลับไปแล้วงั้นได้สมาธิมาคล้ายๆเราคนจน เติมน้ํามันได้ทีหนึ่งห้าสิบบาทอย่างเงี้ยนะเอาอย่างนั้นก็เอานะได้ทีละนิดทีละนิดก็ไปทุกวันทุกวันนะมันต้องถึงเขาสักวันหนึ่งแหละไม่ถึงขนาดมีน้ํามันเต็มถังแล้วยังสํารองไปอีกอะไรเงี้ยก็สมราธิเราน้อยเราก็ทําไปเท่าที่เราได้เราสะสมนะถึงวันหนึ่งมันก็เยอะเองแหละมันไม่น้อยตลอดชาติหรอกกาบนัมัธการหลวงพ่อกับเอ่อ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 คือเรารู้ทันตลอดแต่มันมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสม่ำเสมอนะครับมันก็ถี่ฮะคิดว่าถี่ครับดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้เลยครับนี่เราเดินอยู่ในทางแล้วนะครับนึกออกไหมครับผมเป็นเมฆโลกมันเริ่มห่างออกไปนะแต่บางครั้งทุกอย่างมันไร้สาระครับบางครั้งก็พี่นาไปถึงกันหนะ้าก็รู้ว่ามัน มันมันเป็นไตรักนะครับบางครั้งมันมันเราไม่ได้คิดมันมันมันไปเองนะครับมันเห็นไปเองครับผมัหละพใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆนะจะเห็นใจรักปัจจุบันก็ชอบฟังธรรมะมากบางครั้งก็หลับไปกับธรรมะเลยครับดีครับผมตื่นตื่นกับธรรมะไหมมีการบ้านให้ผมนะครับไปทาต่อนะที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วครับผมกราบมสการครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับ อ่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาส่งกันบ้านหลังจากอ่าฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองปีครับอ่าผมอยากก็คือสิ่งที่ผมปฏิบัติก็กคืออันนี้ผมฟังซีดของหลวงพ่อมาขณะรับ ข, ขับรถนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะรู้สึกตัวได้ตลอดบ้าง <steals> อาไม่ถึงกับตลอดแต่บางทีก็คือจะรู้สึกว่าเวลาเราขับรถไปฟังไปจะรู้สึกกายรู้กายรู้ใจได้ดีกว่าขณะอื่นๆแล้วก็จะรู้กายรู้ใจ ได้ดีมากเวลาที่อยู่คนเดียวอืแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นนี่รู้สึกจะเผลดตลอดวันเลยครับเลยตลอดงั้นเราอยู่คนเดียวให้เยอะแล้วก็อ่าหลังจากที่ผมฟังมาสองปีผมเริ่มอ่าเข้าใจมากขึ้นจากฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืจนผมมาสํารวจผลการปฏิบัติของตัวเองผมพอจะคิดว่าผมเองนั้นรู้ว่าอ่ากายไม่ใช่ตัวอกายไม่ใช่ตัวเราอ่า กายไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถบังคับได้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองออแต่ว่าบางทีใจเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เหมือนกันแต่บางทีก็จะรู้สึกว่าเป็นยึดติดกับใจบ้างว่าใจจิตเนี่ยเป็นเราอะไรอย่างนี้บางครั้งครับแต่บางครั้งก็เหมือนว่ามันเป็น อ, อ, อ, อีกอันหนึ่งน ะ, ะนี่เราเริ่มได้เห็นความจริงบ้างแล้วแต่มันยังไม่รู้แจ้งถ้ารู้แจ้งจะเห็นในไม่มีเราแต่เนี่ย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 สงสารท่านอย่าไปไล่ท่านเลย <c oughs> บวชแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็ได้ครคับทุกวันนี้คือมันเป็นระบบที่แบบครูบาอาจารย์โบราณครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะไม่ได้เข้าไปอยู่กับอาจารย์ใหญ่นะท่านจะอยู่รอบๆในรัศมีที่ว่าสองอาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งท่านเข้ามาได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยขนาดนั้นก็พอแล้วที่เหลือไปพานาอย่างรอบๆบ้านหลวงพ่อก็มีเขามีอะไรเงี้ย พระท่านก็ไปอยู่กันท่านนอกครรษานะไอยู่กันเยอะๆตามป่าตามเขาถึงเวลาก็เข้ามาส่งกันบ้านองค์ส่งกันบ้านดีนะนี่มีอยู่องค์ท่านเครื่องมาส่งกันบ้านบอกว่าท่านเห็นเลยว่าถ้าเข้าไปหมายนะก็มีถ้าไม่หมายก็ไม่มีนะี่ส่งกันบ้านน่าฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> ถ้าหมายถ้าหมายถ้ากำหนดหมายลงไปนะมันถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆ น, นะ นี่ถ้าท่านเห็นเลยว่าถ้าท่านจงใจไปดูนะมันจะแยกเป็นสองส่วนนะพอไม่มีความจงใจนะมันจะสลัดคืนตัวรู้เนี่ยสลัดคืนเข้ากับโลกนะไม่เป็นสองส่วนส่วนของพวกเราไม่ใช่งั้นนะถ้าเราไม่หมายเมื่อไหร่ไปรวมกับโลกเลยนะหลงโลกเลยนะอคนเราสเต็ปกันนะพอเราพอหมายอยู่มันก็แยกออกมานี่ท่านเห็นว่าถ้าหมายอยู่นะมันแยกออกถ้าพอปล่อยนะ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 ตอนเย็นจะชอบสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งจนถึงหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็ตอนที่รู้ว่าเผลอคิดไปนะคะจิตเขาจะชอบย้อนไปคิดว่าเป็นึกว่าความคิดตรงเนี้มันมาจากไห น, นะคะ่ะแล้วก็พอย้อนไปก็จะพบว่าจุดจุ ด, จดตั้งต้นนะคะมันมาจากที่ตาไปมองไปเห็นรูป<อ>แล้วก็คิดต่อะคะ่ะถูกแล้ว แล้วก็บางครั้งจะเห็นจิตร้องเพลงเองได้ะค่ะแล้วก็ร<อ>้องเพลงอะไรที่แบบไม่อยากจะร้องเลยก็จิตก็จร้องขึ้นมาเองได้เลยแล้วบางครั้งจะเห็นว่าจิตจิตจะชอบดิ้นโดนหาความสุขภายนอกนะคะแล้วไปสแสดงว่าไม่ใช่พระอนาคาดิ้นโดนหาความสุขนะคะแล้วก็จะแบบวันหนึ่งก็จะแบบไปชอปปิ้งกลับมาบ้านก็จะความความรู้สึกจะเหลือแค่ศูนย์นะคะจะเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ หลายครั้งแล้วก็จะแบบใ จ, ใจหายค่ะใจหายว่าไปซื้อมาทำไมก <laughs> ันก็ขอกันบ้านค่ะที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะเจ้าค่ะสิ่งที่ขาดก็ขาดสมาธิไปบ้างนั้นทำ <c oughs> ในรูปแบบสม่ำเสมอนะเพิ่มแรงขึ้นทำในรูปแบบได้ทำไหม ทำทุกวันนะคะส่วนนว์ทุกวันแล้วก็นับนับหนึ่งถึงร้อยดูลมหายใจอะคะ่ะแต่ว่า<น>ก็ยังใ น, ในชีวิตประจำวันเนี้ยก็มีเวลานิดนหน่อยๆน่อยนะทำใจสงบเข้ามาบ้างนะเจ้าค่ะใจใจมันฟุ้งง่ายค่ะดึงออกไหมมันฟุ้งง่ายใ ช, ใช่ค่ะเพราะเราต้องหาเครื่องอยู่ให้ใจถ้าใจมีบ้านอยู่ที่สบายใจก็ไม่หนีร่อนเร่ไปในใจเรามันไม่มีเครื่องอยู่ ใจไม่มีเครื่องอยู่ใจก็หนีไปเที่ยวง่ายนะหาเครื่องอยู่ให้ใจซะหน่อยหาพุโทโธหาลมหายใจแต่รู้สบายๆนะเคล็ดลับอยู่ที่สบายไม่มีอะไรทำก็นั่งรู้สึกตัวหายใจไปมีเวลาหนาทีมีเวลาสมนา ท, านาทีรู้สึกตัวไปหายใจไปสบายๆเนะจ้าค่ะ ส, สมาธิมันจะได้แรงขึ้นค่ะประคุณค่ะมาส่งกันบ้านมันต้องตื่นเช้าไปมันเออเรอ มันไม่เป็นตัวจริงนึกออกไหมใช้ได้อยู่กขันวัฒกาหลวงพ่อครับผมใช้ซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมครับแล้วก็ชอบเดินจงกรมแต่ว่านั่งสมาธิไม่เป็นผมมาขอการบ้านครับยังไม่เคยคุยกับหลวงพ่อครับการบ้านเหรอว่าเขไปรู้กายรู้ใจของตัวเองเอาครับของหนูที่เพิ่งส่งการบ้านเสร็จอ่ะใช้ได้นะใครรู้สึกตัวแต่แตะกี้ไม่ได้นะหมาถึงว่าโดยพื้นอนะ่นะใช้ได้ ไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะขาดสมาธิไปนิดหน่อยใจมันจฟุ้งเร็วไปของคุณนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้ก่อนจะอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่อะไรก็ได้แล้วจิตหนีไปแล้วค่อยรู้ไวๆตัวนี้สําคัญนะ ค, คือถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพฟอมันจะเดินปัญญาไม่ได้จริงหลวงพ่อใช้คําว่าจิตมีคุณภาพนะไม่ใช่แค่จิตสงบบาง ค, ค, น, คนตื้นไปว่าจิตสงบถึงจะเดินปัญญาจิตสงบไม่เดินปัญญา ต้องจิตตั้งมั่นถึงจะเดินปัญญาจิตนี้ไปคิดเวลาจิตนี้ไปคิดคุณทราบไหมทราบบางครับเออนะรู้ไวๆถ้าเราพุโทโธพุโทโธแล้วจิตไหลแวบเรารู้ไวๆแล้วมันจะกลับมาไม่ดึงกลับนะกลับมาเองถ้าเราดึงกลับมาจะแน่นถ้าแน่นนี่ใช้ไม่ได้ครับขอบคุณครับจำได้ไหมหรือว่าตื่นเต้นเลยฟังไม่ออกเลยเตื่นเต้นครับนะเดี๋ยวไปฟังเทปซ้ํานะเขามีให้อธิษฐานให้หอะไรเดือนหน้าเขามาแจกมั้ง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 ก็เลยอยากขอคำแนะนำก็รู้สึกตัวไว้นะให้มันคึกคักกับพี่กระเปลานะอย่าน้อมให้มันนิ่งๆสืบๆนะะรู้สึกตัวให้กระชับกระเฉงพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายได้นะคะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ภาวนาก็รู้สึกว่าความทุกข์นี่มันอยู่รอบนอกอะค่ะอะไรนะอะไรรอบๆความทุกข์นะคะทุกอย่างมันจะอยู่รอบนอกมันมันมันจะเข้าไม่ถึงตัวเองอะค่ะอ คือทุกอย่างที่มากระทบจิตใจเนี่ยคือจะพอกระทบปุ๊บจะรู้ทันทีแล้วเขาจะอยู่ข้างนอกเขา ก, ก็ดูเข้าไปก็จะเห็นไหมมันไม่มีเราอ่ะมันไม่ใช่เราค่ะนะวามทุกข์หรือโลกนะอยู่ข้างนอกนะค่ะถ้าจะทุกข์ขึ้นมาก็คือเราไปหยิบไปช่วยมันเข้ามาใช่ค่ะถ้าไม่ไปหยิบมามไม่ทุกข์หรอกอก็ตอนนี้ก็กลัวจะติดสุกเพราะว่าคือถ้ามีอะไรมากระทบเราก็ดูเขาดูแลมันก็จะหายไป หายไปแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบัน <ugh S 1> <คะ S 2> อยู่กับปัจจุบันไม่ติดสุขหรอกนะถ้ามันพอใจในความสุขแล้วไม่รู้ว่าพอใจถึงจะติดถ้ารู้ทันอยู่อย่างนี้ไม่ติดหรอกสังเกตไม่จิตมันมีความสุขขึ้นมาได้เองใช่ค่ะสังเกตไม่มันยิ้มแย้มขึ้นมาเป็นขณะขณะขณะดูออกไหมค่ะดีค่ะมีความมีความสุขกับการปฏิบัตินะคะดีค่ะอย่างนี้เรถึงจะรักพระพุทธเจ้าขอบพระคุณค่ะ ทำบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็ฝึกรู้ใจรู้กายมาได้ประมาณเกือบๆกบปีแล้วก็นนนความทุกข์น้อยลงคะ่ะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆก็น้อยลงแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของลูกก็คือหลงนานคะ่ะพอแต่พอมีสติรู้ตัวขึ้นมามันจะเหมือนจ้องที่จะรอดูอะค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเออนะเรารู้ทันนะหลงนานเพราะว่าเราไม่มีที่อยู่ให้จิตไม่มีเครื่องอยู่ล้วก็ไปจ้องไปอะไรเงี้ยเรารู้ทันว่าจ้องนะ ค่ะแล้วก็พอพอรู้ว่าอารมณ์อะไรเกิดแล้วจิตเขาเหมือนจะตั้งคำถามมาค่ะว่าออตอนนี้หงุดหงิดเราเกลียดความหงุดหงิดนั้นหรือเปล่าหรือถ้ามีความสุขเขาจะมีความคำถามว่า เ, เราชอบในความสุขนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพอจิตมันช่างพูดใช่ค่ะ ช, ช่างมันเธอห้ามมันไม่ได้ค่ะแต่ไม่ต้องไปหาคาตอบให้มันหรอกค่ไม่หลอกให้เราคิดไปเรื่อยๆค่ะดีนี่ฝึกอยู่ดีแค่ะ รู้สึกเปล่าว่าสบายะนะโลกปกลบาๆไว้นวัต ก, กาหลวงพอ่อผมเป็นครูนะครับคราวนี้มีเหตุการณ์ที่เข้ามาปะทะบ่อยครั้งมากครับอย่างเวลาเข้ามาสอนนักเรียนเนี่ยก็เจ อ, อนักเรียนประเภทปวนแล้วมันรู้ขึ้นมาครับบางครั้งนะครับรู้ว่า ไอ้ความรู้สึกโกดซึ่งมันจี้ขึ้นมาเนี่ยมันหายาับไปเลยดีครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ทันคราวนี้ไอ้ที่มันหายไปนั่นนะมันรู้สึกว่ามันสว่างสว่างขึ้นมาแล้วนักเรียนก็มองว่าผมได้เป็นครูใจดีแต่จริงจริงแล้วเปล่าเลยครับอย่างนี้ก็ เ, เรียกครูรู้ใจดีนะใครเป็นลูกศิษย์ด้วยก็บุญ ล, ละคราวนี้ อยากถามหลวงพ่อแล้วว่าไอ้ที่มันสว่างสว่างขึ้นมาตรงนั้ น, นเป็นเพราะว่าเราไปรู้มันรู้ว่าราไปรู้มันอ๋อครับเราไปรู้มันนะพอปัญญามแจ้งจริง้นสว่าง <laughs> แวบขึ้นมาเขาได้ยินไหมแสงสว่างแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไ ม, ม่มีพอจิตมันเกิดความเข้าใจนะมันสว่างขึ้นมาครับคราวนี้อีอกสองประเด็นนะครับคือผมรวมกลุ่มนักเรียนปฏิบัติทำอ่า เวลาไม่ไม่ได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อผมก็เลยสรุปจากประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นให้กับนักเรียนที่นักเรียนได้มาถามว่าณปัจจุบันขณะไม่มีข้อยกเว้นรู้ตามนั้นผมสรุปถูกนะครับถูกแล้วครับผมบ อ, อีกอีกหัวข้อหนึ่งนะครับทุกเย็นก็จะให้นักเรียนมา เรียนรู้วิธีพักจิตครับก็คือให้เขาสังเกตไปเรื่อยๆนะครับหลับตาแล้วสังเกตไปเรื่อยๆไม่ว่าความคิดอะไรจะปรากฏขึ้นมาก็สังเกตไปคราว น, นี้ผมมีประสบการณ์ว่าความคิดเนี่ยหรือความปั่นป่วนในที่เกิดขึ้นในจิตใจนะถ้าเราไปสังเกตมั น, ม, นมันจะมันจะนิ่งจะจ ง, งนะใจแรงนะจงใจก็คือไปเพ่งมันะ่ะ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 สแต่ว่าบอกเขานั่อย่าไปบังคับจิตแรงนะให้แค่รู้ค่อยๆสังเกตสังเกตเบาๆครับก็เพ่งแรงเดี๋ยวเด็กเครียดก็บอกเขาเหมือนกันว่าห้ามบังคับอืแล้วก็ห้ามไม่ให้กดร่างกายตัวเองให้อยู่นิ่งอย่างนี้อย่างนี้เด็กชอบให้เด็กมันนิ่งๆมันไม่ชอบหรอกเก่งหลูกพ่อสอนเด็กไม่เป็น ครนวนี้หมดไปสอนเด็กนะเห็นแล้วเสื้อเด็กก็เสื้อเราก็เสื้อเมืลยไม่รู้ใครเสื้อกว่าใครไม่รู้จะสอนไงนะเด็กๆงั้นพวกเราหลายคนสอนเด็กเก่งกว่าหลวงพ่อนะบางคนเป็นครูเป็นอนะไรพอได้หลักของการปฏิบัติแล้วเอาไปสืบต่อเหมือนเราต่อเทียนกันเลยเราจุดเทียนต่อต่อกันไปนะเรามีความสามารถเราก็ต่อเทียนให้คนอื่นต่อไปอีกช่วยกันทำนะโลกจะได้สว่างขึ้น โลกทุกวันนี้มืดเหลือเกินเลยกิเลสตัณหามันท่วมโลกนะมีแต่คนเห็นแค่ได้เห็นแค่ตัวทุกวงการเลยไม่มีเว้นสักวงการเดียวเลยยังต้องช่วยทําโลกให้สว่างขึ้นอันแรกเลยตัวเราเอง้าใจเราเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้ น, นสว่างมีความสุขมีความแสงสว่างเกิดขึ้นคนรอบๆตัวเราในบ้านเราเนี่ยค่อยๆแอบสอบค่อยๆสัมผัสนะเขาก็สว่างขึ้นคนที่ทํางานค่อยสว่างขึ้น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 การที่เราเอาธรรมาให้เด็กได้เนี่ยเราให้ความสุขกับชีวิตที่แท้จริงของเขาเลยอนุโมทนาอาจารย์ขอบคุณหลวงพ่อครับอันไหนเด็กถามเราไม่รู้นะบอกไปฟังซีดีหลวงพ่อนะ <c oughs> เราเร า, เราไม่รู้ทุกเรื่องเรา เ, เด็กถามบางเรื่องเราไม่รู้เราตอบผิดไปเอาที่เรารู้ที่เราเข้าใจแล้วที่เราผ่านแล้วนะ <c oughs> เด็กบางคนมันเรีนเร็วกว่าเราอีกเรียนปุ๊บปๆมันไปเร็วกว่าผู้ใหญ่ ผมขออีกนิดหนึ่งนะครับคือมีลูกศิษย์บางคนที่ผมไม่มั่นใจว่าเขามีความสามารถแบบนั้นจริงหรือเปล่าก็คือเขารู้ว่าผมคิดอะไรอะ่ะมันปกตินะาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไระแต่บางครั้งก็แปลกมาก ร, รู้คนอื่นไม่แปลกอะรู้ของตัวเองก็แปลกครับขอบคุณครับบอกบอกเขาว่าอย่าสนใจข้างนอกนะถ้าเขาสนใจข้างนอกต่อไปเขาจะดูตัวเองไม่ได้ ในหลวงพ่อสอนลูกศิษย์สอนอย่างนี้นะนี่บางคนมันโกรธหลวลงพ่อเลยมันอยากสอนคนอื่นอยากดูคนอื่นให้ห้ามมันมันโกรธเลยนะสอนกรรมฐานลําบากนะสอนคนยุค น, นี้ไม่พอใจมันกัดเอาเอานมัสการนค่ะหลวงพ่ อ, อปัญหาของหนูคือว่าใจไม่ค่อยมีแรงค่ะแล้วก็หลวงพ่อให้ไปท่องพุโทโธ กอดไปหนูก็ไม่ยอมท่องพุโทโธก็ไปหาทําอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นจนสุดท้ายแล้วก็บงังคับก็คือต้องบังคับให้เขาทําพุโทโธเพราะเพราะว่าพอเริ่มพุโทโธปุ๊บเนี่ยเขาจะบังคับทันทีเลยมันจะแน่นแต่ก็ทนเอาก็ท่องตะ<อ>ลุยค่ะตะลุยท่อง ท, องทอง่ท่องไปจนเขาก็ค่อยๆผ่อนลงนนค่ะนนต้องอย่างนั้นค่ะแล้วก็หลังจากที่อคือท่องท่องพุโทโธไประห ว, ว่างวันเนี่ย ปกติก็คือเคยดูอยู่แล้วว่าใจหนีไปคิดนี่ไปคิดเนี่ยค่ะพอได้เริ่มท่องปุ๊บเราก็จะเห็นสภาวะที่มันชัดเจนขึ้นอืค่ะถูก<ล>ต้องแล้วแล้วก็เห็นได้เร็วขึ้นบางวันมากบางวันน้อยอแล้วแต่ค่ะนั่นแหละอดทนไว้นะะแล้วก็กลางคืนก็ก็สู้กับขี้เกียจก็พยายามสร้างวินัยพยายามสวดมนต์แล้วก็นะคะถวายพระพุทธเจ้าก็ถวายอาจารย์ทุกท่านค่ะแล้วก็ค่ะ แต่ตอนตอนพอช่วงทองก็ดีค่ะพอทีนี้ช่วงหลังไม่กี่ก่อนหน้าเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนมันใจมันอัปอัปอะค่ะแต่หนูว่ามันลอยๆอยอยู่ข้างหน้าแล้วเปล่าค่ะให้รู้ทันอ่ะแต่รู้ทันแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปแก้มนันแค่รู้ทันนั้นจะกลับเข้าสู่สมดุลได้เองอมีปัญหาต้องแก้อีกมนี่เป็นตัวอย่างนะเห็นไหมอดทนครูบาอาจารย์สอนแลว้วก็อดทนทำเมาณ์นะมันก็ดีขึ้นแหละ ครูบาอาจารย์สอนเราให้ทํามันก็ไม่ดีหรอกถึงเวลามาส่งกันบ้านก็จะมาขอาการบ้านใหม่กันบ้านเก่าไม่เคยทำเลยมันไม่ดีหรอกทนทนนะครูบาอาจารย์สอนอะไรก็ทําไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะครูบาอาจารย์บอกให้ทําอะไรทําเลยนะไม่มีหยุดสักวันเลยตอนเด็กๆเรียนกับท่านพ่อหลีท่านสอนให้พุทธโธพุทธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนับหนึ่งอะไรเงี้ยนับสองนับสามไปเรื่อยทํามา22ปีไม่เลิกเลยนะทําทุกวันนอะ มาเจอหลวงปู่ดูนท่านให้ดูจิตตัวเองไม่มีวันไหนไม่ดูเลยดูทุกวันเลยนะนั้นครูบาอาจารย์ท่านให้ทําอะไรเราก็ทําเอาบางทีท่านก็ตาท่านแหลมกว่าเราที่เราไม่รู้ว่าเราติดอยู่นะหลวงพ่อเจอหลายรอบครูบาอาจารย์ท่านแก้ให้อย่างคราวหนึ่งเราตามกิเลสดูกิเลสแล้วกิเลสมันหนีเข้าข้างในะเราก็ตามลึกๆ ล, ก ล, ก ล, กลงไปจะไปดูเลยต้นตอมึงมาจากไหนตามให้ดูให้ถึงเลยลึกลงไปมากเลยหลวงปู่สิมท่านบอกให้ออกมา ฟูรู้ฟูรู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่หลงไปแล้วนะกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกนะรู้ทันอีกนะว่าเราจะเข้าไปดูกิเลสนะอเอามาอยู่นี่กิเลสมันอยู่ข้างนอกนี่หร <c oughs> <c oughs> ือใจบางทีว่างกว้างออกไปนะโล่งว่างเนี้ยนึกว่าดีนะใจไม่ยึดไม่ถืออะไรโล่งว่างอนาะจารย์มหาบัวบอกไม่ได้ดูจิตแล้วดูไม่ถึงจิตแล้วยนะครูบาอาจารย์ท่านก็แก้ให้เราก็ฟังท่านนะเราก็มาสังเกตตอนท่านบอกบางทีเราไม่เห็นหรอก นะเราก็อาจจะนึกเนี ه, ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าทนทําไปสังเกตไปสังเกตไปนะโอ้ท่านผ่านมาแล้วลรอท่านรู้จักหรอเนะนี่ยที่เอาตัวรอดแต่เกียรติกายมาได้เพราพรเชื่อครูนะั่นแหละแต่เลือกครูนะหลวงพ่อไปกวคนที่เลือกครูมากเลยรู้มีบุญอะไรหาครูแต่ละองค์นะท่านพ่อรีนะท่านพ่อรีไม่นับอะ่ะเพราะพ่อผ่อาไปที่หาเองแนละ้วอย่างหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศอาจารมหาบัวหลวงปู่สิมอะไรเงี้ย หลวงพ่อพ no, right? mm ุท hmm. ธไปเอง mm hmm. องคองอย่างบางองค์ไม่เคยไปไม่คิดจะไปเลยบางองหมดยังอ่ะว่าไปนกักมรกของหลวงพ่อครับเพิ่งมาส่งการบ้านที่นี่เป็นครั้งแรกแต่เคยส่งครั้งสุดท้ายที่สวนสันติธรรมตอนประมาณสัก3ามควอเตอร์ที่ผ่านมาจะมารายงานผลครับว่า อย่างอย่างลุ่มลุมดอนดอนเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมปัญญาอย่างน้อยสติยังไม่ดีสมาธิไม่มั่นคงหลวงพ่อเคยแนะนําให้ลองหาอะไรเป็นวิหารธรรมเพราะว่าใจไม่มีแรงคราวนี้นอกจากตอนนั้นหลังจากที่ได้กันบ้านมาก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วก็พยายามดูด้วยว่าถ้าจะทําสมถะเพิ่มแรงเนี่ยในกรรมฐาน40ตัวเองเหมาะอะไรก็ปรึกษาท่านผู้รู้ท่านหนึ่งท่านผู้รู้แนะนําว่า คุณไม่ต้องไปพยายามขนาดนั้นให้ทําในชีวิตประจําวันให้ดีที่สุดก็น่าจะก็น่าจะพอแล้วก็ก็เลยใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมช่วงไหนที่รู้สึกว่ามันเฉยเฉยใจไม่มีแรงก็ก็กระตุ้นมันมก็ทําทุกวันแต่ช่วงไหนรู้สึกตึงๆก็ปล่อยๆบ้างแล้วก็พยายามหากิจกรรมภายนอกทําเพื่อให้เ อ, อใช้ชีวิตเป็นปกติหมายถึงว่าไม่อยากจะ ไม่อยากจะให้เคร่งเครียดแต่อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยพยายามหากิจกรรมไปหากิจกรรมชมรมทําทํานั่นทนํานี่แล้วดูใจตัวเองไป <im it> ก็ช่วงนี้เมื่อตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่เริ่มหย่อนครับมาเช้านี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีกุศลจิตก็เลยตื่นๆขึ้นมานิดหนึ่ง <im it> ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นเล็กน้อยในใจตั้งแต่ตอนที่หม้ใกล้เข้ามา <im it> แล้วก็ เออ่ที่เห็นยังเห็นอยู่เป็นประจำหลั ง, งตั้งแต่คราวแรกที่หลวงพ่อทักก็คือว่าก็ยังมีมานะโผทุกวันบางทีเห็นชัดถึงขนาดเป็นภาพแต่ก็คือมันเป็นเพราะว่าใจมันมีมานะ ม, มันทะยานอยากสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพมันอก็ก็ยังมีความโลภเยอะแยะแล้วก็ที่แน่ๆอีกอย่างหนึ่งคือช่วงที่ช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ใจไม่ค่อยมีแรงแล้วเริ่มซึมๆขึ้นมาเนี่ย อ, อบางทีความความคิดที่เห็นว่าเป็นกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วห้ามไม่ทัด ไ, ไม่ได้ห้ามหมายถึงว่ารู้ไม่ทัน ม, มันจะขึ้นมาเป็นภาพเลยสิ่งที่ทําได้ก็คือพอเห็นเป็นภาพแล้วเนี่ยก็ทําได้แค่ว่าพอรู้ตัวก็แบบเ อ, อเหมือนสะบัดหน้าสะบัด ต, ตา <laughs> เอาใหม่เอาใหม่อพยายามดิ้นดิ น, ดนไม่ให้มันติดอารมณ์ไม่ให้มันติดความคิดอก็ตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีบ้างบางครั้งที่ เห็นบุคคลภายนอกยังเวลาอยู่ที่บ้านเห็นบุคคลภายนอกเกินเป็นระนาบเดียวกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกแล้วยังมีตัวเราอยู่ครับยังมีขอบเขตของของเราอยู่เพียงแต่ว่าโอเคว่ามันแยกกับคนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนเป็นสีที่เป็นระนาบเดียวกับระนาบเดียวกับโลกข้างนอกเพียงแต่ว่ามีเสียงเข้ามามีมีภาพที่เป็นการอ้าปากพูดแบบนั้นเห็นเห็นร่างกายเราเป็นระนาบเดียวกับโลกข้างนอกบ้างยัง รู้สึกว่าแยกตลอดเวลาที่มีสติแต่ว่าถามว่าเป็นระนาบไหมในจังหวะนั้นมันไปใส่ใจสิ่งภาพที่เห็นตรงนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นตนเองครับนะพยายามย้อนมาดูกายดูใจของเรานะครับนะเห็นว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนครับนะตอนนี้เพิ่มกําลังของสมาธินีดหนครับจิตไม่มีแรงครับเนะขบ้าวุ้นข้าวหลวงพ่อนะคนสุดท้ายแล้วที่เหลืออดทนไหม คนเรานี่ก็แปลกเนาะอยากมาฟังเทศนะ์ตั้งแต่เกียรติ์ตะกายมาแต่มุดเลยมาฟังปไะเดี๋ยวนะอยากกลับบ้านแล้ว <c oughs> อยไปเที่ยวต่อค่ะกราบนมันสการหลวงพ่อค่ะปกติแล้วจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเท่าไหร่เพราะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาก็จะอาศัยว่าตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยจะฝึกเวลาเดินทางไปทํางานเนี่ยจะคอยรู้กายรู้ใจตัวเองนะคะแล้วก็ ก่อนนอนเนี่ยจะพยายามนอนในสมาธิคือจะนอนแล้วก็นึกพุทโธหรือไม่ก็ดูลมหายใจจนหลับไปอะค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็เลยอยากจะขอคำแนะนำพูดช่างคุยไหมในชีวิตไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งกับคนนะค่ะดีถ้าเรายุ่งเดี๋ยวฟุ้งฟุ้งง่ายอยู่คนเดียวคิดเยอะไหม คิดเยอะ่ะยิ่งยิ่งถ้าเกิดสมมติไปปฏิบัติธรรมแล้วมีบางแห่งเขาห้ามพูดกลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพูดมากกว่าเดิมใช่ใชนมันจะเป็นจุดอ่อนนะจิตใจมันช่างพูดค่ะให้คอยรู้ไปด้วยนะหาเครื่องอยู่ให้มันไม่้นเดี๋ยวมันจะคุยจ้อยๆไปเรื่อยใช่ๆช่คองหนูก็ทำให้มันมีเครื่องอยู่ไว้นะจะทำให้จิตใจเราขยับเคยือนนิดนึงเราก็เห็นง่ายแล้วมันไม่ลงไปพูดยา ว, ยาว ไม่งั้นเจ็บเลือนก็เราส่งกันบ้านกันมาครบ15หท่านนะครับใช้เวลากันมาตามสมควรถึงช่วงสุดท้ายจะเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้กล่าวคาถวายทานที่ท่านถวายกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลและนานเทินยถาวาริวะาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวัยโตดินนางเปตานางูปะกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวาสมิจฉุสัพเพปูเรนตูสังกับปาจันโทพันราโสยะถามณีโชติรโาโสยถา สัพพีติโยวิวัตชนตูสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภาวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังมุธาปจายิโนโจัตตารโรธรมาวันตยายุวันโนสุขังพระลังฝึกสตินะฝึกรักษาศีลไหมก็รู้สึกตัวบ่อยๆเองนะ ดูกายดูใจทำงานเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดสมกับที่พวกเรามีบุญวาสนาเกิดมาเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้านะ